ผู้หญิงเพศเดียวเท่านั้นเหรอที่จะต้องถูกดา่าและหยามเหยียดเช่นนี้ก็แล้วผู้ชายที่ประพฤติแบบเดียวกันนี่ล่ะภาษาของคุณเขาเรียกอะไรทัศนคติของคนไทยหรือทางตะวันออ ก, กนะเมย์เขาไม่ถือสาหรอกในความประพฤติของผู้ชายลักษณะเดียวกันนี้จึงไม่มีคําด่าในกรณีนี้เขาถือเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นไม่ยุติธรรมแล้วก็ไร้เหตุผลเห็นกับตัวด้วย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 มาริยปฏิเสธโดยเร็วเสียงแข็งอ้าวแล้วทำไมถึงว่าเขางัางอะไม่รู้อย่าถามดิแม่จ้าซักถามสิจริงจะถา ม, มาทำไมก็อยากรู้แล้วทำไมถึงอยากรู้ก็มันสงสัยสงสัยอะไรสงสัยว่าเขาพูด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 มองกราดไปรอบๆไม่รู้สิทายไม่ถูกเหมือนกันลักษณะมันทําท่าคล้ายๆจะเป็นซุ้มประตูทางเข้าอะไรสักอย่างหนึง่งนี่เป็นเพียงซากส่วนน้อยเท่านั้นนะส่วนใหญ่คงฝังจมอยู่ใต้พื้นดินและนี่คุณค้นพบอะไรอีกมั่งล่ะพบต่รังหมาจิ้งจอกขุดครองอยู่ใต้แผ่นหินใหญ่ที่ล้มเกยกันอยู่โ น, น่นแล้วก็กระดูกสัตว์มาเรียโบกมือในคําพูดที่ฟังดูเหลวไหลไม่เป็นภาษาของเขา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 และทุ่งหญ้าคาตรงไปยังที่หมายนั้นโดยเร็วชา ย, ยัมกระชากแขนเพื่อนสาวจะให้ออกวิ่งแต่หล่อนกลับรังไว้บอกว่าสิ่เวลาเหนื่อยเปล่าในไหนเราก็เปียกโชกไปทั้งตัวแล้วเดินไปดีกว่าไม่นานนักนักะจญภัยหนุ่มสาวต่างผิวทั้งคู่ก็บรรลุถึงบริเวณชายเนินภูเขาหินซึ่งมีระดับค่อยคลาดสูงขึ้นมากกว่าทุ่งหญ้าเบื้องล่าง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 และสิ่งแวดล้อมจากหลักฐานที่เราพบมันย้อนหลังไปนานกว่านั้นมากนะักฉันก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมมันถึงคานกันเช่นนั้นมาเรียงเงยหน้าขึ้นภายหลังเมาบรรจุกระสุนที่ถอดออกเช็ดเข้าแมกซิมไรเฟิลของหล่อนตามเดิมส่งลูกหนึ่งขึ้นลามกล้องแล้วลดนกไวเสียดายนะที่เราไม่มีน้อยร่วมอยู่ด้วยในคราวนี้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 มี่สันธานเป็นลักษณะสิงโตมอดถ้าถอยห่างออกไปยืนอยู่ที่กลุ่มเสาหินโน่นแล้วมองกลับขึ้นมาใหม่ฉึนว่าเราจะเห็นเป็นภาพที่ว่านี่ชัดเจนทีเดียวและมันจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กับหมู่เสาหินที่เราสันนิษฐานกันว่าเป็นทางข้าววิหารอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆเจ ช, ชยันขมวดคิ้วพยายามเพ่งดูตามคำบอกเล่าของหลอน แล้วเขาก็พอจะมองเห็นขึ้นมาได้รางๆตาฉายแสงเป็นประกายข้อสันนิษฐานของคุณน่าจะมีข่าวอยู่นะเมฆโนดเป็นซากของมหาวิหารปากทางข้าวเพื่อ น, นำเข้ามาสู่เขาสิงโตหมอบลูกนี้เพราะฉะนั้นที่นี่มันก็น่าจะต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งสองหันกวับไปสำรวจโพรงท่านที่ยืนอยู่อีกครั้งโดยเร็วราวกันนัดกันไว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 ก็คงจะมีทางเดินลงไปสู่ที่ใดที่หนึ่ง ล, ลอนต่อไปอย่างสงสัยในอาการของเขาทำไมชฉยยันคุณไม่คิดว่าเราควรจะเข้าไปสำรวจดูหรอกเหรอแน่ละเมื่อมันมีข้าวเงื่อนให้เราสำรวจได้เราก็จะทำการสำรวจให้ถึงที่ที่สุดแต่อะไรเหรอชยยันแต่เราควรจะเข้าไปในลักษณะเตรียมพร้อมเสมอนะเม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 เป็นขั้นบันไดหินสกัดท้งแท่งช่วงห่างของแต่ละขั้นราวสองฟุตเทลงไปทำมุมหกสิบองศากับพื้นเบื้องล่างประมาณสิบขั้นทางเดินกว้างขวางพอประมาณเบื้องล่างเลหินไปได้ไม่ไกลนักเพราะติดแนวหักโค้งข้อศอกพื้นทางเดินและผ น, นังรอบด้านเรียบเกลี่ยกล่าด้วยพื้นหินสีดำปานหนิ่งมันเป็นการเจาะ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 สมบูพึงพำท่อของเขาปิดข้างล่างดันผ่ามาปะหน้ากันได้นี่รู้เป่าคนไทยก็ถือเขาไม่รู้ละ่ะคุณอยากมาพูดบ้าๆกับฉันทำไมปิดล้างปิดบนก็เหมือนกันแหละนี่เวลาคุณเกิดมาอยากรู้นั ก, กว่าเกิดทั้งไหนแม่ผมทําซีเซเรียนผมเกิดโดวยวิธีผ่าออทางหน้าท้องเว้ยหน่อยออกมาทางท้องแล้วก่อนจะออกละ่ะ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 ไม่เกินสิบนาทีตรงตามที่รับปากไว้พรานใหญ่ก็โปรแก ร, รมฝนกลับเข้ามาขณะนั้นเม็ดฝนเริ่มเบาบางลงมากแล้วดารินสังเกตเห็นแววตื่นตื่นในดวงตาคู่นั้นได้เป็นครั้งแรกพอมาถึงสลัดน้ำออกจากตัวส่งไรเฟิลให้บุญคำแล้วชุดกายลงนั่งตรงหน้าไม่กล่าวคำใดในขณนะนั้นทั้งสิน้นแต่แ บ, บมือข้างที่กำอยู่ออกไปตรงหน้าของหญิงสาว บารินมองเห็นก็ร้องออกมาปลอกกระสุนลูกซองสิ่งที่อยู่ในฝ่ามือแบกของจอมพรานคือปลอกกระสุนลูกซองขนาด12ยี่ห้อเรมินตันซึ่งทำด้วยพลาสติกเป็นปลอกกระสุนไม่เอียเ่ยมเปีกน้ำมีรอยยิงเมื่อไม่นานมานี้นักบุญคันจะโง่หน้าเข้ามาเห็นก็อุทานลั่นอีกคนนึไอ้ขยินแม่ไม่ก็ไอ้จัน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 ที่มันลอยมาติดโพรงรากไม้หมุนวนอยู่ตรงนั้นไหลต่อไม่ได้ถ้ามันเลยผ่านไปตามสายน้ำเชี่ยวก็จะไม่พบเหมือนกันถือว่าฝนตกใจวันนี้นับว่าเป็นโชคดีของเราทำให้ได้ร่องรอยขึ้นโดยไม่นึกฝันได้วิแววของพี่ใหญ่อย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปล่ะรพินดารินถามอย่างกระตือร้ น, รนจอมพลนยิ้มออกมาเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มแห่งความหวังอันแจ่มใสครั้งแรก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 กระดิกนิ้วลั่งกระสุนออกไปมันดังกึกก้องสนั่นวันไหวไปทั้งพงพนาสะท้อนไปยังขอบเขาที่ล้อมอยู่รอบด้านและวต่างก็ยืนนิ่งสะกดกั้นลมหายใจรอคอยสับปะสันียงใดๆที่จะแววตอบมาอึดใจใหญ่ๆของการรอคอยจับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและนึกภาวนาคอยมีเสียงปืนดังตอบมาสิ่งที่ได้รับ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 ก็ดำเนินการก่อไฟสายฝนขึ้นและด้วยศิละปะชาวไพรอันชำนาญของแกขอนไม้ขนาดใหญ่ถูกนำมาก่ายเรียงกันไว้ยกระดับเหนือพื้นอันเปียกชุ่มขึ้นมาแล่วไม้สดชนิดที่มียางไวไฟเหมาะแกการเติดเชื้อก็ถูกนำมาก่อไฟซ้อนอยู่บนไฟยกรานนั้นไม่นานหนักรัศมีอันอบอุ่นของมันก็กระจายไปทั่วช่วยย่างลนพื้นที่อาศัยนอน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 ท่านใหญ่เป็นฝ่ายถามบ้างดาริงหยิบก้นซิก้าที่เหลืออยู่ขนาดองคุลีและหล่อนยังเก็บขึ้นมาพลิกดูอีกครั้งและชูขึ้นก็ซิก้าก้นนี้สิทำไมครับคุณอาจไม่รู้หรือไม่ทันสังเกตเหรอกนะแต่ฉันรู้ดีนะพี่ใหญ่มีติดมาด้วยสี่หีบตามปกติแล้วตลอดระยะเวลาที่เราเดินป่ากันมา พี่ใหญ่ไม่เคยเอาซิก้าพวกนี้ขึ้นมาสูบเลยเขาสูบกล้องสลับไปกรบบร่ธรรมดาและในวันที่เราบรรจุของลงย่ามหลังประจำตัวฉันก็เห็นว่าพี่ใหญ่มีแต่บุรีก่กรยาเส้นเท่านั้นไม่ได้มีซิก้าใส่เป้หลังไปด้วยเขามีสำรองไว้สำหรับเวลาบุรหระยาเส้นหมดจริงๆ จ, งจึงจะเอาขึ้นมาสูบและซิก้าเหล่านี้ก็บรุอยู่ในหีบคอสัมภระส่วนกลางที่พวกลูกหาดแบก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 เงาเหล่านั้นเคลื่อนไหวอย่างแช่มช้าครั้งแรกมองมันคล้ายกับฝูงลิงปีศาจหรือมิฉะนั้นก็เจ้าผีกองก่อยหล่อนพยายามจะร้องพยายามจะขยับขยื่นเคลื่อนกายต้องการจะปลุกพลานใหญ่กระบุนคําซึ่งหลับเคียงข้างอยู่ในขณะ น, นี้แต่ก็ไม่อาจกระดิกกระเดีย่เคลื่อนไหวได้เสียงก็ไม่สามารถจะผ่านพ้นลําคอลักษณะเดียวกันกับผีอั่ำ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 มีเกราะเงินเป็นมันวับสวมอยู่ที่แผงอกกว้างสง่างามพึ่งผายนักหล่อนจำได้อย่างแม่นยำที่สุดจำได้ว่านั่นคือขุนศึกคู่พระไทยของนางพยาพันธุมววดีผู้ซึ่งได้เคยฝันเห็นเดินเคียงข้างกับบัวทองของนางกษัตริย์ในขบวนนักรบหนุ่มผู้นั้นก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องปลายเท้าที่หลอนนอนตัวแข็งอยู่ในขณะนี้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 จะได้รับการปลดปล่อยปลดหินแก่สวรรค์ช่วยปลดปล่อยวิญญาณทุกขเวทนาจมนรกหมกไหมเหล่านี้ด้วยเถิดถอนกริดเล่มนั้นออกทำลายรางกริตยามนคาสาบในคำพีนั้นเสียถอนกริออกถอนกริเล่มนั้นออก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 ฉันรู้แต่เพียงว่าเสียงของผู้คนที่วิงวอนร่ำร้องซ้ำแซ่ให้ฉันถอดกริ่ดเล่มนั้นออกเป็นเสียงที่สั่งความมาเนะ่ะมันรุมล้อมรอบตัวบีบหัวใจไปหมดมันทำให้ฉันหายใจไม่ออกแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าถูกกดจมลงไปใต้บาดาลที่ไม่มีอากาศจะหายใจฉันอาจร้องและดิ้นรนเพื่อหาทางรอดจากความอึดอัดเหมือนถูกผีอั้นั่นเอง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 กว่าตาทานท่าบุญคําจะตะโกนร้องบอกลงมาให้ทราบว่าอะไรเป็นอะไรไอ้หมูโทนผู้เป็นต้นเหตุแห่งการเตื่นตโหนกนั้นก็เพนแนบหายไปแล้วเสียงร้องลั่นของหมูและเสียงที่มันกระโจนพรวดพลาดขึ้นยางกระทันหันใกล้ตัวทํามกลางป่าอันเงียบสงัดเป็นเสียงที่ตะเลิดขวัญกันได้อย่างชงัดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมันเกิดขึ้นในขณะที่ไม่ทันรู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน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 พอทะลุออกมาพบกับด่านใหญ่อีกเส้นหนึ่งรอยของแง่ทายกับพวกกองก่อยก็แยกจากแนวห้วยายหน้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทางขึ้นไหลเขาไฟติดตามหยุดชะงักลงในบัดนั้นเกิดปัญหาที่ต้องคข้ครวนคบคิดเอายังไงดีนายงแง่ทรายแยกจากแนวห้วยซะแล้วหาดงนั่นทำให้เราต้องคิดอีกละ แม้จะอยู่ในอารมณ์เคร่งเครียดจอมพรานก็อดหัวเราะ อ, ออกมาไม่ได้ในคำพูดของตาพรานเท่าสมุนขวาของเขาที่ตั้งสรพนาใหม่ให้แง่ายส่วนดารินตาเขียวทุบไล่บุญคำโดยแรงบ้าบุญคำนี่ฝากไม่ดีมันเรื่องอะไรไปด่าเขาอย่างนั้นผมว่าบุญคำตั้งฉายาให้แง่ายได้ถูกต้องที่สุดนะครับระพินสขัดแทรกขึ้นพร้อมกับหัวเราะหึ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 ความจริงฉันไม่น่าจะมีความเห็นขัดแย้งกับคุณเลยนะทั้งๆ ท, ที่คุณก็เป็นผู้นำมาโดยตลอดเอาล่ะตกลงยึดแนวห้วยต่อไปแล้วกันรพินแหงนสำรวจยอดป่าและท้องฟ้าที่ปรากฏให้เห็นบางส่วนอีกครั้งแล้วเคลื่อนที่ทันทีครั้งนี้เขาออกนำไปเบื้องหน้าให้บุญคำไปอยู่รังท้ายเร่งฝีเท้าทำเวลาเต็มที่ดารินก็สาวเท้ากระชั้นชิด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 ดาริมตาเป็นประกายเม้นริมฝีปากเอามือแตะขมับพวกเราทั้งหมดมีจุดสามเจ็ดห้าใช้อยู่สามกระบอกกระบอกหนึ่งบุญคาถืออยู่นิอีกกระบอกเป็นซีซัตของเม้นึกอีกกระบอกหนึ่งเปล่าหนิ่งของฉันเดิมทีฉันให้แงซ า, ายถือต่อมาภายหลังคุณเป็นคนเปลี่ยนให้เจ้าสาังปาใช่แล้วสังปา้าพโยกหลงหล่อนร้องลั่นออกมา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 ดารินพยักหน้ายัางเห็นด้วยถ้างั้นเราก็มีโอกาสที่จะตามเขาได้ทันโดยเร็วแล้วล่ะแน่นอนครับถ้าเราตามไม่ผิดทางผมเชื่อว่าขนาดนี้ฝ่ายคุณชายคงจะไปตั้งแคมป์เป็นการชั่วคราวขึ้นที่ใดที่หนึง่งไม่ห่างจากที่นี่ออกไปมากนักและคงยังไม่เคลื่อนย้ายไปเร็วนักสถานีอำนวยการนี้จะเคลื่อนย้ายไปเป็นระยะระยะและเปิดโอกาสให้เราตามทันได้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 แต่มีสัมภาระหนักที่จะต้องแบกหามไปด้วยถ้าเป็นใจของบุญคําจะเลือกเดินไปทางที่สะดวกหรือจะแบกของไตเนินขึ้นไปลหล่ะนายใหญ่จะคิดยังไงบุญคําไม่รู้แต่ถ้าเป็นบุญคาบุญคําจะเลือกเดินไปตามทางด่านนี่ก่อนนายใหญ่ก็น่าจะคิดอย่างเดียวกับบุญคานั่นแหละหล่อนบอกแล้วหันมาทางจอมพรานคุณควรจะเป็นคนตัดสินใจนะระพิน เาราแล้วครับเราจะเลือกเดินไปทางด่านนี้ก่อนถึงแม้จะสังเกตอะไรไม่ได้ในระยะต้นๆนนเราก็อาจได้ร่องรอยระหว่างทางภายหลังก็ได้คนหกคนพร้อมทั้งหากของสัมภาระก็น่าจะทิ้งอะไรไว้เห็นได้บ้างไม่มากก็น้อยดารินยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเต็เมไปด้วย m ะ n a กำลังใจที่เกิดขึ้นอย่างมากมายบ่ายสองมงตรง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 กลางของคัมพีดำเล่มนั้นมีสั้นที่มีใบยักคดไปมาหรืออีกในยนึ่งที่หนึง่งเรียกกันว่ากริตปากเสียบรึงอยู่ตลอดทั้งเนื้อเหล็กและด้ามของมันเป็นสีดำสนิทราวกับทำขึ้นด้วยนิลการทั้งเล่มสายตาที่ปราดเข้าไปเห็นระพินไพรวันก็จ้องพินิษคร่ครวนเขายังไม่ทันจะเคลื่อนไหวต่อไปอย่างใดทั้งสิน้นบัดดนก็รู้สึกว่าพื้นเบื้องหลังลั่น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 แตเชิดฐานเหนียวไหลไว้เฉยว่าก่อนระพิงปล่อยไวอย่างนั้นแหละพิจารณากันให้รอบคอบถีถ่วนที่ชุดก่อนที่จะทําอะไรลงไปขณะนี้จะเย็นได้แล้วคุณตอบคําถามของผมหน่อยเถอะข้างข่าวสูบเลือดตัวนั้นเราทั้งหมดไปชิญกันมาหลายครั้งแล้วยิงกันด้วยปืนก็นับครั้งไม่ถ้วนลูกปืนของเราเหล่านั้นไม่มีท่าเลยว่าจะทําอันตรายอะไรมันได้สมมหาอะไรก็โข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 อะละตัวน่ากินทั้งๆเลยเสียอย่างเดียวเนื้อมันแข็งไปหน่อยคุณดารินหัวเราะออกมาได้ทั้งน้ำตาจะโงกหน้าเข้าไปตะโกนว่าขนาจะตายอยู่รมร่อนแล้วยังหัวเราะอยู่ได้เสมอนัชะยันน้อยนั่นเธอเอสียงตะเบงสวนลั่นออกมาอย่างตื่นเต้น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 ทางในนี่จะเป็นห้องใต้ดินที่กว้างขวางสลับซับซ้อนแล้วก็แข็งแรงมากเป็นสุสานไว้ศพดึกดําบรรที่จาะเข้ามาใต้ภูเขาทั้งลูกตอนที่ฉันมองคอยความหวังอยู่นี่เป็นบริเวณเพดานห้องส่วนหนึ่งที่โอนขึ้นมาคล้ายๆจะเป็นทางเข้าออกของสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเราค้นพบเข้าโดยบางเอนิน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 และแยกทางไปอีกด้านหนึ่งโดยะรพินคงมุ่งที่จะยึดแนวลำห้วยต่อไปจนกระทั่งมาพบบริเวณที่ตั้งแคมป์ครั้งสุดท้ายของเชษฐาเหนือฝั่งลำห้วยตอนหนึ่งและจนกระทั่งมาพบเข้ากับพันธุมวดีผู้บรรทมนิ่งอยู่ในครอบแก้วของปราศาสตรร้างถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าระว่างที่คณะของเธอเดินบ่ายหน้ามาทางปราศาสตรร้างเงสายก็แยกไปอีกทางหนึ่ง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 คือเกิดเสยจันส่างปาขยินรวมเป็นคณะหนึ่งหกคนพร้อมสัมภาระส่วนใหญ่ของพวกเราทั้งหมดแยกไปด้วยกันทางหนึ่งฝ่ายที่สองคือรบพินกับน้อยไปทางหนึ่งฝ่ายที่สามบุญคำพลัดไปคนเดียวแล้วฝ่ายที่สี่ก็คือแก่กเมไปด้วยกันอีกด้านลรวลำดับภาพโดยถือเอาทางด้านรพินเป็นหลักก่อนเขากับน้อยสองคน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 บุญคำร้องบอกนายหญิงของแกมาที่นายแหม่มกับนายทหารรอดตายมีชีวิตอยู่จนกระทั่งพวกเรามาช่วยไว้ได้ทันน่ะก็เพราะนายแหม่มมีประจำเดือนเป็นเครื่องคุ้มกันโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละหาไม่เช่นนั้นไอ้พวกผีดิบในป่าช้าใต้ภูเขานั่นมันออกมาฉีกเนื้อฉะตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วด้วยซ้ำดารินแปลคำพูดของบุญคำให้มาเรียฟังแม่มสาวหอปากร้องมาว่าโอ้ oh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 ถ้ามันต้องเอาทำเป็นผ้ายันแขวนคอเชแล้วละเว้ยชยันอดไม่ได้ที่จะพูดเล่นท่ามกลางบรรยากาศอันตึงเครียดความจริงชยันกเมได้มาถึงบริเวณนี้ก่อนหน้าเราแล้วหนึ่งวันนะวันอคณะเอ่ยขึ้นกระจอมพรานเพียงแต่เดินผิดทางที่จะนำไปสู่ปราสาทพันธุ ม, มวดีเพียงไม่กี่องศาแล้วก็ไปพบและถูกติดถังอยู่ในสุสานเนี่ยสก่อนเท่านั้น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 ยกเว้นแต่คนทั้งห้าเท่านั้นที่อันตรธานไปยังปราศจากข้าวเงื่อนทิ้งไว้ให้เห็น6คนที่รวบรวมกันได้ภายใต้การนำของเขาได้ใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงพยายามค้นหาอีกห้าคนที่หายไปอย่างสุดสติปัญญาความสามารถภายในถ้ำอันซอกซอลีลับแห่งนั้นแต่ก็ปราศจากผลต่างส่งเสียงกูเรียดจนเสียงแหบเสียงแห้งสิ่งที่ได้รับก็คือความเงียบสงัด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 ทุกคนดีจริงๆครับไม่ทําให้ผิดหวังเลยแ่ยินกับจันทาหน้าที่เป็นพรานนำทางเพื่อออกเสวงหาร่องรอยของคนที่หายไปภายใต้การควบคุมของหัวหน้าคณะการึ้นหน้าเป็นไปอย่างเชื่องช้าและมีอุปสรรคยิ่งเกี่ยวกับสัมภาระอันมากมายท่วงหนักอยู่จึงจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปเป็นระยะๆโดยตั้งเป็นกองอานวยการกลางขึ้นเพื่อพักสิ่งของเหล่านั้นแล้วแยกกันออกตระเวนค้นหา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 มุ่งเขาก่อกวนพวกเราสองฝ่ายเท่านั้นไม่ยับแพร่พานเข้าไปยุ่งกับเชื้าเลยนี่ผมคิดว่านั่นเป็นวิธีที่ฉลาดของมันนะครับพรานใหญ่พูดอย่างตึกตรองการมุ่งเขาทาลายล้างมันควรจะเลือกเอาทางด้านที่อ่อนแอมีกําลังน้อยที่สุดก่อนทางด้านคุณชายนะ่ะยังแข็งแรงอยู่รวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากอาวุธอุปกรณ์ก็พร้อมมูลผิดกับฝ่ายผมแล้วก็ฝ่ายคุณชยยัน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 ไม่ต้องห่วงรอกฉันกัมเมย์แนี่ยยังมีแรงเสมอว่าแต่เราจะเริ่มต้นยังไงต่อเราก็จะให้แกกัมเมย์นำไปดูปากถ้มที่เข้าไปติดถูกติดขังอยู่เป็นอันดับแรกสิต่อจากนั้นก็จะย้อนกลับไปยังปราสาทพันธุมาวดีอีกครั้งหรือยังไงผู้กองก็ดีเหมือนกันครับจะเอายังกลางคืนอย่างนี้เลยเหรอชยันถามกลางคืนอย่างนี้แหละ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 นอกจากจะอาศัยความฉลาดจากเครื่องผ่อนแรงโดยกฎของธรรมชาติเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับจูดยจุดศูนท่ทวงอย่างที่พี่ใหญ่ว่านั่นแหละมีประตูกลในลักษณะเดียวกับที่เราเห็นอยู่นี่อยู่รอบห้องเก็บพระสบของกษัตริย์ฟาโร่ประตูเหล่านั้นเคลื่อนลงมาปิดห้องอย่างมิดชิดที่สุดภายหลังเมื่อเอาพระสบของฟาโร่เข้าไปเก็บไว้พร้อมกับพวกนางสนมกำนันในข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิด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 ตามสมถุมพุ่มพรึกและแก่งขคดอินผาทุกก้อนครั้นแล้วในจิตประสาทอันพร่าพรายมึนงงของทุกคนก็สะดับกับเสียงกังวาลอันเย็นยเยือกแผวพลิววิเวกหวานอยู่กลางใจณที่นี้ข่ะพันธุมมวดีขอขอบคุณ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 ระบอกเธอไม่ได้หรอกเมเว้นไว้แต่ว่าเธอกะชยันจะมีโอกาสได้เห็นกับตนเองซึ่งโอกาสชนิดนั้นก็ไม่มีอีกแล้วถึงพวกเราเองที่เข้ามาพบแต่แรกก็ชื่นชมต่อความงามของหล่อนได้เพียงไม่กี่อึดใจเท่านั้นก่อนร่างจะยุบสลายไปดารินตอบเศร้าทุกคนนิ่งซึมกันไปหมดเหมือนจะตกอยู่ในอารมณ์สลดเศร้าลึกลับระคนไปกับความยินดี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 ที่แกะกะเมไม่ได้ผ่านเข้ามาที่นี่ซะ ก, ก่อนหาหม่ทั้งชั้นและระพินอาจจะมาสายไปก็ได้เชิดาตอบเสียงต่ำๆไม้ท่อนที่วางอยู่ตอนบนของกองของี้เท้านั่นเหรอระพินที่ใช้ปัก อ, อกข้างคาวใหญ่ตัวนั้นไปแล้วมาพบว่าเสียบปักอยู่บนอกของพันธุมวดีอดีตนายทหารปืนใหญ่ถามขณะที่บุยปากลงไปยังปลายไม้ท่อนนั้นก็คล้ายๆกันละครับ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 จิตใจเต็มไปด้วยความเร่าร้อนพิสวงใจยังไงบอกไม่ถูกเอ้ถ้ามันจะไม่เป็นเรื่องเชลรเชษฐาในที่สุดชยันก็ร้องขึ้นอย่างอดทนทนไม่ได้แต่แล้วคณะจิตนั่นเองก่อนที่เขาจะอ้าปากพูดคำใดต่อไปทุกคนก็พังะหังส่วนไปด้วยอำนาจความสะเทือนจนแผ่นดินไหวและแรงอัดของอากาศที่เปลวมากระเท ا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 ผมมีความเห็นตรงกระพินนะคือทำลายซะโดยวิธีเผาแล้วคนอื่นจะมีความเห็นยังไงก็ลองออกความเห็นมาดิแม่สาวหันไปมองดูหน้าชายยันต่างนิ่งกันไปชั่วครู่ออาเผาก็เผาเชืา้าดีเหมือนกันจะได้ล้างอาถันให้มันหมดสิ้นไปซะเลยเก็บเอาไว้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์พุผลอะไรขึ้นหนทางข้างหน้าของเรายังอีกไกลนักแล้วยังหวังไม่ได้ว่าเราจะมีโอกาสกลับไปได้หรือไม่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 เดี๋ยวผมก็จะพักเหมือนกันครับมีธุราจะสั่งความอะไรพวกนี้อีกสักหน่อยหนึ่งหลนยกมือขึ้นปิดปากหาาตาปลือรีจะหลับลงซ่ให้ได้หมุนตัวกลับเดินเข้าไปประจำที่นอนที่จัดเตรียมไวแล้วชั ย, ยันกับมาเรียนหลับไปแล้วด้วยความอ่อนเพลียแต่เชิดท้าครึ่งนั่งเครึ่องนอนหลังพิงย่ามสูบซิก้าอยู่เงียบๆคนเดียวน้องสาวเสือกายแทรกกลางเข้าไป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 ผมอยู่ยามคู่กับไอ้ส่างปลาครับไม่รู้มันเกิดอัภริจมรัยอะไรขึ้นมาผมกับไอ้ส่างปลาเผลอหลับยามไปเมื่อไหอไร่ก็ไม่รู้เมื่อตื่นขึ้นแล้วนายใหญ่กับนายทหารเข้ามาเตะปลุกแล้วถามว่าเห็นนายหญิงบ้างไหมก็ก็พราผมกับไอ้ส่างปลาหลับนี่แหละถึงได้ตอบอะไรไม่ถูกความรู้สึกของจอมพลานยามนั้นเหมือนอยากจะกระทึบจันท์กับส่างปลาให้จมหายไปในแผ่นดินเสียรู้ลแล้วรู้รอด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 น้อยลงไปคนเดียวหรือมีรอยอื่นเพิ่มมาอีกมารียพูดเร็วปรือตัวหล่อนเองก็กราบไฟสํารวดควากไปหมดคุณหญิงเดินลงมาทางนี้เพียงคนเดียวครับไม่มีรอยอื่นใดแทรกแซงทั้งสิน้นรับพินตอบแหบๆ แ, แล้วกระโดด ล, ลําไฟฉายไล่ระไปตามรอยซึ่งปรากฏจากพื้นรองเท้าเดินป่าที่สวมติดตัวอยู่ของราชสกุลสาวย่าพื้นบริเวณที่ชุ่มน้ําค้างไวให้พักพวกดู เป็นรยเดินอย่างโดดเดี่ยวตามลำพังของหล่อนมุ่งลงไปสู่ป่าใหญ่เบื้องล่างกลางราตรีอันคลุมม่านหมอกซึ่งเต็มไปได้วยเปลี่ยวเปล่าหน้าสยองกล่วยิ่งเป็นไปได้ไหมระพินสมมุติว่าน้อยเกิดอาการละเมอเดินลงไปเองโดยไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นจอมพลานหน้าซีดคล้ำเขาไม่อาจมีคำตอบใดๆ ไ, ได้ในขณะนั้นแต่ผู้ตอบด้วยเสียงอันสันรัวคือตาเท่าบุญค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 แต่ด้านที่เคยฝังดินและพลิกขึ้นมานียังไม่มีรอยน้ำค้างจับเลยฉันมาน้อยเพิ่งจะเดินผ่านเหยียบกรวดพลิกเอาไว้เมื่อไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี้เองกล่าวจบหล่อนก็ลุกขึ้นยืนป้องปากกูตะโกนเรียกฟามานมอกออกไปด้วยเสียงดังก้องท่ามกลางความเงียบสงัดอันเยือกเย็นนั้นอู้น้อยอยู่ที่ไหน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 มันเป็นเสียงเดียวกับเสียงที่ได้ยินอย่างเจ็บปวดหัวใจในขณะที่ประตูลิ่นหินภายในสุสานเลื่อนปิดลงมาส ก, กัดกั้นปากทางออกพร้อมกันก็เหวียงไร่ฟ่นขึ้นไหลจ้องปากกระบอกข้ามหัวรพินไปเบืงหน้าพร้อมที่จะกรดิกนิ้วปล่อยกระสุนเดาสุ่มออกไปแต่เชื่อถาวัยพอที่จะปัดปากกระบอกซะก่อนร้องบอกเร็วปรือหยุดพึ่งยิงเฉยไว อออออเสียงหัวเราะนั้นดังแว่วมาอีกไม่มีสำเนียงใดจะฟังสยดสยองพองขนและมีความหมายในทางยั่วยาเท่ามันดังในลักษณะในลำคอก่อนต่อมาก็แผ่เสียงดังขึ้นเป็นลำดับดังจนกระทั่งกลายเป็นเสียงหัวเราะสนานวันไหว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 มันอาจใช้วิธีกระจมออมาตบปบทีละคนแล้วก็เพน ล, ลบแล้วก็กระจมก็ใส่อีกจนพวกเราตายหมดก็ได้นะครับผมยอมเสียงให้มันตบปบเป็นคนได้ขออย่างเดียวให้ได้ปเผชิญมันจังๆมน้าสักครั้งเถอะชายันทำรามออกมาอย่างหุนหันขยับตัวจะเดินตามเสียงหัวเราะนั้นเข้าไปด้วยความดีเดือดบ้าเลือดแต่รับพินคว้าคอเสื้อไว้กระชากเซยกลับเข้ามา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 ก็มีเสียงหัวเราะแววมาอีกพร้อมกับคำพูดอันแหบเห่ลอยมาวะจงก้าวเข้ามาเถิดจงก้าวเข้ามาเถิดตู้กาลังรอพวกสูทั้งหลายอยู่ณนะที่นี้ทั้งหมดลืมตาโพลหันมาจ้องหน้ากันเองอยู่ไปมาด้วยความประหลาดใจขีดสุดผู้กองคุณไม่ยินไหมเสียงมันพูดมานะชายันพูดละล่ำละลับ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 ราษจากวิเวลจะกระทดถอยหรือผลักหนีหากแตยืนคอยอยู่แล้วเสียงทางเบื้องหลังของระพินเป็นเสียงคำรามอันเกลียวกราดหมายมั่นปั้นมือของชายันมีเสียงร้องห้ามละล่ำละลักอยากเชตฐถาผู้ซึ่งดูเหมือนจะสกัดกั้นยือยุดตัวสาหิวายไม่เหตุทำอะไรลงไปก่อนเวลาอันควรแล้วก็มีเสียงมาเรียร้องสั่งให้พวกพรานพื้นดวงทุกคนอยู่ในอาการสงบสาหรับเขา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 ผู้หญิงของพวกสูบที่ตกอยู่ในเงื่อมมือตูจะถึงข่าทันทีฮฮฮฮฮเชิญทดจะทันยังไงกับตูก็ได้ฮฮฮฮถ้าพวกสูพวกสูคิดว่ามีชัยอยู่เหนือตูฮฮฮฮฮ